เขากาศอาจารย์จเจริญพรถูทุกท่านนะนั่งตามสบายนะไม่ต้องพนมมือก็ได้พวกเราก็ดูมีความสุขนะเรามาฟังธรรมเาตอนนี้เราเป็นชาวพุทธขณะนี้ทุกคนเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นชาวพุทธด้วยกันเลือดเนื้อเชื้อไขอันเดียวกัน ธรรมะของพระพุทธเจ้าของอัศจรรย์มัอัศจรรย์อย่างประหลาดเหลือเกินอัศจรรย์ตั้งแต่วิธีการปฏิบัติจนกระทั่งอัศจรรย์ในการเข้าถึงธรรมะธรรมะแท้ๆที่จิตอันบริสุทธิ์เข้าถึงนั้นก็อัศจรรย์อีกเป็นเรื่องแปลกประหลาดนึกไม่ถึง คนทั่วๆไปนะเขาก็เกลียดทุกข์กลัวทุกข์กันพขาเพื่อเจ้ากับสอนให้เรารู้ทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์รู้ทุกข์มันจะดียังไงใครๆก็เกลียดทุกข์เวลาทําบุญนะบางคนอธิษฐานขออย่าได้เจอความทุกข์เลยนะห่างความทุกข์ร้อยโยอดแสนโยออะไรก็ว่าไปพราะเพื่อเจ้าไม่ได้สอนให้เราดีทุกข์แต่สอนให้เราเข้ามาเผชิญหน้ากับมัน มาเรียนรู้มันความทุกข์อยู่ที่ร่างกายแล้วก็คยรู้อยู่ที่ร่างกายมาดูความจริงในร่างกายร่างกายนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี้ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ถ้าเราภาวนาให้เต็มที่เราจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่มีตัวสุข เรเห็นในนี้จิตจะวางไม่ยึดถือกายมาดูทุกต่อไปก็คือทุกที่ใจที่แรกคนทุกข์ทั่วไปก็จะเห็นว่าใจนีมันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ถ้าเราภาวนาเต็มที่เราจะรู้ว่าใจนี้เป็นตัวทุกข์เป็นเรื่องแปลกก่อนจะมาเห็นตัวนี้ได้นะใจมันจะเป็นตัวสุขยิ่งเราภาวนานะใจิตใจมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเราเห็น ถูกเห็นภัยของร่างกายของโลกของอะไรมากมายแตจิตนี้มีแต่ความสุขส่วนใหญ่ภาวนาแล้วมาติดอยู่ตรงที่เจอความสุขอันมหาศาลความสุขอันน่าอัศาจรรย์ของจิตนี้ลําพังถ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเรานะเรให้เราเข้ามาถึงความสุขความสงบของจิตแล้วก็พอใจอยู่แค่นี้ธรรมะของท่านยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ธรรมะท่านอัศาจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีก ท่านสอนจนกระทั่งเรารู้วิธีนะมีวิธีปฏิบัติจนเห็นความจริงของจิตว่าจิตนี่เป็นตัวทุกข์พอเห็นความจริงว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยวางจิตกระบวนการที่จิตปล่อยวางจิตก็อัศจรรย์เป็นเรื่องอัศจรรย์เมื่อปล่อยวางได้แล้วเนี่ยจิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงจิตเราจะไม่เหมือนเดิมที่เคยเป็น ิตใจจะกว้างกวางนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทุกเข้ามาไม่ถึงจิตมันเปจิตที่อัศจรรย์มากดำเนรงชีวิตต่อไปจนถึงเวลาที่ธาตุขันแตกดับขันมันก็แตกมันก็ดับไปจิตที่บริสุทธ สุดพ้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนด้วยขันดับก็ดับไปมีความสุขมีความสงบราเริงเบิกบานเป็นพุโทโธตัวจริงนะรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เลยขั้นปล่อยวางจิตไปแล้วก็ไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเลยแล้วละมันเลยไปแล้วเลยดีไปแล้วทะาั้นธรรมะของพระไตรชเจ้าเนี่ยมีเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเราฟังรวดเดียว มาถึงขั้นปล่อยวางจิตพวกเราทําไม่ได้พวกเราปล่อยสามีเรายังปล่อยไม่ได้เลยปล่อยภรรยาเรายังปล่อยไม่ได้ปล่อยลูกปล่อยเต้าปล่อยทรัพย์สมบัติเนี่ยปล่อยไม่ค่อยไหวเลยแคมาปล่อยกาปล่อยใจม่นก็ไกลไกลไปหน่อยค่อยๆฝึกไปฝึกเป็นลําดับลําดับไปเจตใจรู้ความจริงเข้าใจความจริงมากขึ้นมากขึ้นแล้วปล่อยวางได้มากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องไปบีบเค้นเนี่ยมันปล่อย มันปล่อยของมันเองเมื่อไรมันเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็อยากปล่อยยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมันก็ยังยึดถืออยู่พระไตรเจ้าท่านถึงสอนบอกเพรเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพรเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือนะจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วคือไม่เกิดอีกแล้วความเกิดี่ก็คือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกเล่นกายใจมาเป็นตัวเราไม่มีการหยิบฉวย ตาโหจะโหมลิ้นกลใจขึ้นมาอีกต่อไปในชาติสิ้นแนละ้วรมอาจา ร, รย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วนะกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิดอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีต้องทำอีกล้งานในทางธรรมะเนี่ยอัศจรรย์คือทาทีเดียวเสร็จแล้วและก็แล้วกันไปเลยไม่ต้องทำซ้ำไม่เหมือนงานทางโลกต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีก การที่เราจะเข้ามาถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะแล้วก็มาเป็นลําดับลําดับพระพุทธเจ้าท่านวางหลักสูตรไว้ให้เราเดินตามหลักสูตรที่ท่านวางไว้เได้ว่าไตรสิกขาณ์นะหลวงพ่อไปไหนไหนก็เทศเรื่องนี้แหละก็เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าชาวพุทธไม่รู้จักไตรสิกขาณ์นะพระอนาาไปไม่รอดแ ล, และส่วนใหญ่ที่เชอาปฏิบัติกันเนี่ยเขาไม่รู้หลักไตรสิกขาอย่างบางคนหน้าตือศีลแล้วก็ไปนั่งสมาธิ นั่งสมาธให้จิตสงบเนี่ยบอกว่ามีศีลมีสมาธิการฝึกสมาธิก็เรียกได้ว่าจิตตศิขานแลนะ้วแต่ฝึกไม่เป็นไ่ทําแต่ความสงบนิ่งเฉยเลยหวังว่าวันหนึ่งปัญญาจะเกิดไม่ได้ไม่มีทางเกิดปัญญาได้เลยเพราะไม่ได้ผ่านบทเรียนที่ชื่อจิตตศิขาที่แท้จริงแค่รักษาศีลเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิทําความสงบไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะได้มรรคได้ผลมันไม่ได้หรอก ถ้าสมาธิที่ทําความสงนะบแล้วบรรลุมรรคผลได้นะพวกฤาษีชีไพรเนี่ยจะบรรลุไปก่อนเจ้าชายสิทธทัตถะเมื่อตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมางานแรกที่ท่านทําก็คือไปหาฤาษีหัดนั่งสมาธิแล้วก็คล้ายๆพวกเราส่วนใหญ่เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมงานแรกที่เราคิดก็คือไปนั่งสมาธิไว้ก่อนนะเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดอย่างเดียวกัน ไปหัดนั่งสมาธินั้นได้ฌานที่7จ็ดได้ฌานที่8หมดภูมิรู้ของอาจารย์แนละถามอาจารย์มีอีกไหมอาจารย์บอกไม่มีละจบหลักสูตรละจบหลักสูตรของอาจารย์จริงนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถนะนีท่านรู้ว่ากิเลสท่านยังอยู่ความทุกข์ของท่านยังอยู่อีกเงั้นการนั่งสมาธิแบบหรือสีเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรให้ท่านหลุดพ้นขึ้นมาได้จริงนะที่จะแสวงหาทางปฏิบัติต่อไป บังคับกายนะทรมานร่างกายทีแรกก็ฝึกทางใจก่อนฝึกทางใจแล้วแต่ฤาษีแล้วไม่สําเร็จที่มาฝึกร่างกายบ้างมาข่มร่างกายนะมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนมันอยากสุขอยากสบายนอนอยู่บนน้ำด้วยเลยนะแ ก, แกล้งกันแก้งกิเลสทรมานหวังว่าทรมานกิเลสไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็จะพ้นจากกิเลสท่านทรมานร่างกายนะกฝืนกิเลสหนะ่อย อย่างพวกเราเวลาจะภาวนารู้สึกไม่ต้องสู้กิเลสต้องฝืนใจอย่างจะเดินจงกรมก็ต้องฝืนใจใช่ไหมแต่อย่างนั้นฝืนพอดีพอ ด, พอดีไม่เป็นไรนี่ท่านฝืนมากเลยถึงขนาดมันอยากกินข้าวก็ไม่กินมันเลยทรมานมากอยากนอนไม่นอนมันเลยนั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวอะไรเงี้ยทรมานการปลยการไปฝึกจิตให้สงบนิ่งเฉยๆอย่างฤอษีก็ไม่ใช่ทาง การมาทรมานกิเลสฝืนมันฝืนกายฝืนใจทำกายทำใจให้ลำบากถึงจุดหนึ่งท่านก็พบว่าไม่ใช่ทางเหมือนกันท่านมีความอดทนสูงนะท่านไปเรียนสมาธิกลุลสีเนี่ยใช้เวลาไม่นานเวลาส่วนใหญ่ใน6ปีที่ท่านมาสแสวงหาสัจธรรมเนี่ยท่านมาฝึกทรมานตัวเองอดทนอย่างยิ่งเลยนะสรบแล้วสรบปอีกจนบางครั้งเนี่ยแทบตายเลย ครั้งหนึ่งอดอาหารหนานจนกระทั่งสลบไปเด็กเลี้ยงแพ้มันมาเจอก็เอาแพ้มามันอยากจะให้น้ำนมท่านนี่มันก็ไม่กล้าถูกตัวท่านคนละวันละนกัน ล, ลากแพ้มานะบีบนมแพ้ใส่ปากท่านตรงๆท่านรอดชีวิตมาให้คนนี้ต้องได้บุญเยอะนะเนี่ยท่านท่านถึ ง, ถงยอะนึกขึ้นได้นะว่า วิธีทำสมาธิสงบนิ่งๆนะก็ไม่ใช่ทางการหลงอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกสมัยนั้นแต่เป็นเจ้าชายก็ไม่ใช่ทางคนทุกการฝึกสมาธิให้จิตนิ่งสงบก็ไม่ใช่ทางคนทุกการบังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากก็ไม่ใช่ทางคนทุกท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ตอนเด็ก ๆ, ๆท่านเคยทําสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมา ตะ น, นั้นเขบอกว่าได้ปฐมฌานท่านได้ปฐมฌานเนี่ยบางทีนักปรัชญาท่านก็สงสัยนะว่าตอนติ่งเด็กพูดให้เจ้าได้ปฐมฌานแล้วบอกว่าไม่ใช่ทางตอนไปฝึกฤาษีได้ฌานที่7ที่8นะก็ต้องผ่านปฐมฌานแล้วทไมบอกว่าไม่ใช่ทางเพราะว่าสมาธิจริงๆมีหลายชนิดสมาธิที่ฤาษีชีพไลเขาทำนะมันคือการที่เอาจิตเนี่ยไปเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันเดียว อย่างพวกเราที่ฝึกกรรมาฐานผิดนอะอย่างเราดูท้องพองยุบนะเราเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้องนะสงบ อ, อยู่ที่ท้องจิตไม่คิดไม่เล็อะไรอยู่ที่ท้องอย่างเดียวหรือเดินจงกลมเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้ายกเ ท, ท้ายังเท้าอะไรรู้ตลอดเลยจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจสมาธิที่จิตมันเคลื่อนไ ป, ไปหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวเนีน่ยเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อน สมาธิที่เอาไว้พักผ่อนหรือสีชีพไรเขาก็เล่นกันมาก่อนแล้วล่ะแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเนะนี่ยส่วนสมาธิที่เจ้าชายสีทาธาท่านเคยเจอตอนเด็กมันเป็นของเก่านะบุญบารมีท่านมากพวกเราอย่าว่าแต่สมัยเจ้าชายสีธาธาเลยนะยุคของเราเนี่ยหลวงพ่ อ, อยังเจอตั้งหลายคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามีบางวันเนี่ยจิตไปกระทบอารมณ์ที่ตกใจ จิตรวมตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเลยรู้ในรู้ตัวเลยนะขันแยกออกเลยเสร็จแล้วก็ลืมมานั่งปฏิบัติมาปฏิบัติอะไรตั้งนานเนี่ยพอจิตตั้งมั่นขึ้นมานะแทบเกลีวตัวเองถึงว่านี้มันของเก่าเคยเป็นมาแล้วละ่ะตั้งแต่เด็กๆแต ล, ลืมมันไปเนี่ยคนที่มีบุญมีบารมีนะเคยฝึกสมาธิที่ถูกต้องมานี่พวกนี้จะต่อง่ายต่อยอดง่ายถ้าไม่มีบุญบารมีนะจะนั่งสมาธิก็เคริ้มไป หรือก็ใจไหลไปเรื่อยๆหรือใจก็ลืมเนื้อลืมตัวไปนิ่งๆอยู่ฉนะนั้นเราต้องรู้จักคําว่าจิตศิกษาให้ดีถ้าเรามีจิตศิกขาการเรียนรู้เรื่องจิตได้อย่างดีนะเราทาสมาธิแล้วเราคอยรู้ทันจิตนะทําสมาธิสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วเราคอยรู้ทันจิตเช่นเราหาัดพุดโทโธพุทโธนะจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ว่าจิตเคลื่อนอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าจิตศิกขาเราเรียนเรื่องจิตอยู่ เรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตเราเคลื่อนไปเราค่อยรู้ทันจิตไหลไปละรู้ทันหรือดูท้องฟองยุบนะหรือท้องฟองยุบไปจิตเคลื่อนไปเราก็รู้ทันเคลื่อนไปก็ทําได้สองอย่างใหญ่ๆนะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งอย่างรู้ลมหายใจเนี่ยบางทีก็เคลื่อนไปคิดบางทีก็เคลื่อนเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปคิดเรียกว่าฟุ้งซ่านเคลื่อนเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิฤาษีเป็นสมาธิสงบ ดูท้องผ่องยุบนะจิตเคลื่อนไปคิดอันนี้ฟุงงซ่านให้เรารู้ทันนะจิตเคลื่อนไปนิ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมาธิลือสีนะเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ดีมีประโยชน์นะทำให้มีความสุขมีความสงบชั่วครั้งชั่วคราวที่สมาธิยังอยู่พอสมาธิเสื่อมนะก็ฟุ้งซ่านใหม่ทุกบร้อนใหม่ที่เจ้าชายสิทธาาัตถะท่านสรุปว่าไม่ใช่ถาะนันเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะอันนี้หลวงพ่อ ข้ามเรื่องศีลและสิกขามาศีลเนี่ยพวกเราต้องตั้งใจรักษาไ้ก่อนเบื้องต้นเป็นของสำคัญมากนะถ้ารักษาศีลให้ดีแล้วการฝึกจิตฝึกใจขั้นต่อมาเนี่ยจะทำง่ายคนจิตใจคนไม่มีศีล น, นะจะมาฝึกจิตฝึกใจนะยากมากเลยมันจะฝุ้งเพราะฉะนั้นงานใหญ่ที่พวกเราต้องทำนะกันแรกเลยตั้งใจรักษาศีลห้าไว้หลจากนั้นก็มาฝึกให้จิตใจมันตั้งมัน่น มีสมาธิที่ถูกต้องอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยบทเรียนที่ชื่อว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตนี่บางคนบอกว่าไม่ชอบเรื่องจิตไม่ชอบเรื่องจิตนะจะดูกายก่อนจะดูกายได้ต้องผ่านจิตสิกขาก่อนไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรก็ตามจะเจริญปัญญาด้วยวิธีใดก็ตามจะทิ้งเรื่องจิตสิขาแล้วจะไม่มีจิตที่มีคุณภาพเอาจิตไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญานะมันเจริญไม่ได้จริง เราต้องพยายามมาฝึกนะฝึกตัวเราทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยนะในวันหนึ่งวันหนึ่งนะขอเวลาสัก15นาทีก็ได้ไหว้พระสวดมนต์นะทุกวันต้องทําไหว้พระสวดมนต์สั้นๆไม่ต้องยาวมากนะสั้นๆเสร็จแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะบางคนทํากรรมฐานอะไรไม่ได้สวดมนต์ได้อย่างเดียวก็สวดมนต์ไปเลยก็ได้แต่สวดมนต์แล้วคอยรู้ทันจิต สวดมนต์ไปเอาละหังซ้ำมาเนี่ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไปแล้วหรือสวดไปเรื่อยนะจิตมันนิ่งๆเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็รู้ว่ามันรู้ตัวอยู่หรือทํากรรมฐานรู้ลมหายใจก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่หายใจออกสงบนะแต่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่มันลืมตัวก็ให้รู้ทันอย่าหายใจไปหายใจไปจิตนหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้ว ให้รู้ทันว่าจิตมนันหนีไปหรือหายใจไปหายใจไปจิตมันเคลื่อนไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้พวกเราคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาไว้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตนั้นไหลไปเที่ยวเก่งนะพระพุทธเจ้าออกปากเลยว่าจิตเนี้ยนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่ ง, ด, ง, งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็เที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้ายังบอกมันมันหนีไปเที่ยวได้เร็วเลยนะ มือระดับพวกเราโอกาสที่จะรู้จะเห็นนะก็ายากหน่อยจะต้องค่อยๆสังเกตเอาเวลาเราดูข่าวสมมุติตอนนี้มีข่าวน่าสนใจเยอะเวลาเราดูข่าวสังเกตไหมใจเราไหลไปอยู่กับข่าวเราลืมตัวเราเองเนี่ยคอยรู้สึกนะรู้สึกตัวแต่หลวงพ่อไม่แนะนําว่าให้ฝึกกรรมฐานด้วยการดูข่าวนะเพราะอารมณ์มันแบงเกินไปมันจะไปแล้วมันไม่กลับมาหรอกจะไปยินดียินร้ายกับเขานะ งั้นเราอย่ไปใช้อารมณ์ที่รุนแรงนะอารมณ์กรรมฐานต้องเป็นอารมณ์ที่สบายๆอย่างหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนะตอนนี้ทุกคนคอยรู้สึกไหมว่าเรากําลังนั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นร่างกายนั่งไหมใครเห็นร่างกายนั่งให้พยักหน้าซิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยมันเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยคอยรู้สึกอย่างเนี้ ก็้สึกอยู่ในร่างกายนะถ้าจิตเราหนีไปที่อื่นเราก็รู้นะจิตไหลเข้าไปอยู่ในร่างกายเราก็รู้อะต่อไป น, นี้เราจะมาฝึกดูจิตที่ไหลเข้าไปในร่างกายเอาหัวแม่มือของตัวเองมาใครหัวแม่มือขาดที่เอาหัวแม่เท้าก็ได้นะเออดูหัวแม่มือถึงนะจ้องลงไปจ้องลงไปให้ลืมโลกเลยนะสังเกตไมจิตเราไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือได้นลองดูข้างหลังเห็นพระธาตุหนมะ เราดูพระธาตุเห็นไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่พระธาตุนะเนี่ยจิตมันจะไหลไปไหลมานะเดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปจิตไหลไปเพ่งเนี่ยจิตมันไหลไปไหลมาตลอดเวลาแล้วปกติมันก็ไหลอยู่อย่างนี้แหละจต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจิตของเราก็เลยร่อนเร่ไปนะเที่ยวร่อนเร่ไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถจะรู้สึกตัวเป็นงั้นต่อไปนี้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วเราคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลามาแล้เราจะทดสอบอีกตัวหนึ่งนะหลพ่อจะหยุดพูดแล้วห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะลดทดลองดูาห้ามคิดเห็นไหมจิตมันคิดได้เองเห็นไหมจิตมันไหลไปคิดได้เองเนี่ยค่อยๆหัดอย่างเนี้ยนะค่อยๆหัดไปถึงเวลานะตกข้ามตกอะไรตอนไหนก็เอาสักเวลาหนึ่งก็ได้ทาทุกวัน ไล่พาส่วมนมวลเสร็จแล้วก็คอยรู้ทานจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละเด่๋หาอารมณ์กรรมฐานมาให้จิตมันอยู่สักอย่างหนึ่งจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับพองยุบอยู่กัอะไรก็ได้แล้วจิตมันไหลไปไหลมานะคอยรู้บางทีก็ไหลไปคิดบางทีก็ไหลไปเพ่งนะให้คอยรู้ทนันการที่เราคอยรู้ทานจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยนะมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นจิตที่ฟุง้งซ่านเป็นจิตที่ประกอบด้วยกิเลส ตระกูลโมหะเรียกว่าอุทธัจฉะความฟุ้งซ่านจิตของเราฟุ้งซ่านตลอดเวลาเดี๋ยวก็ฟุ้งไปดูนะเดี๋ยวก็ฟุ้งไปฟังเดี๋ยวก็ฟุ้งไปคิดทั้งวันเนี่ยจิตเราฟุ้งตลอดเวลาให้เราคอยรู้ทันนะเวลาที่สติมันเกิดเรารู้ท <Weight lessness> ันว่าจิตมันไหลไปรู Suzuki ้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยทันทีที่สติเกิดนะความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับของมันเองถ้าเรามีสติ เพราะอะไรเพราะมีกฎของธรรมะอยู่ว่าถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติยังถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปจิตไหลก็คือจิตฟุง้งซ่านนั่นเองทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะทีแรกก็ตั้งได้แว บ, บเดียวแล้วก็ไหลอีกแล้วก็รู้นะรู้ใหม่ว่าตั้งอีกแล้วก็ไหลอีกตั้งใหม่นะค่อยรู้ไปอย่างนี้ไหลเรารู้ไหลเรารู้นะจิตจะค่อยตั้งที ท, ทีขึ้นไม่ไหลนาน พอมันรู้สึกตัวได้ถีขถ่ขึ้นทีขึ้นนะมันจะเหมือนเราตื่นขึ้นมาเลยนะระพาวาจิตใจเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เนืรู้รตัวขึ้นมาเลยลเรารู้เน้อรู้ตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเรียกว่าเราจบบทเรียนชื่อจิตศิกขาละพอเราจิตใจเรารู้ตัวขึ้นมาจิตใจเราตื่นขึ้นมาแล้วมันก็มาถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติที่จะเอามรรคผลนผิพพานมาให้ได้เนี่ยก็เรียกว่าปัญญาศิกขา ปัญญาสิกขาเนี่ยเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเลยนะผู้เบิกบานใช้จิตที่ถูกต้องที่เราฝึกมาได้แล้วเนี่ยเอามาดูกายมาดูใจมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเราเห็นร่างกายหายใจ ต, ตอนนี้ทุกคนเห็นร่างกายหายใจไหมลองดูซิเห็นไหมร่างกายกำลังหายใจอยู่าการที่เราเห็นร่างกายหายใจนะ เป็นสมถะนะสมถกรรมฐานอะไรจิตเราไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคือไปดูร่างกายนะเวลาที่เราหัดดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราไปดูจิตตรงๆนะก็จะเป็นสมถนะดูกายก็จะเป็นสมถะได้ความสงบดูจิตก็ได้ความสงบเฉยๆนะส่วนที่จะขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูจิตจริงๆหรอกเราดูกายเพื่อจะได้เห็นว่าความความจริงของกายเป็นยังไง ดูจิตเพื่อจะดูความจริงของจิตการที่ได้เห็นความจริงของกายได้เห็นความจริงของจิตนั่นแหละถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการทําวิปัสสนากรรมฐานความจริงของร่างกายคืมันไม่เที่ยงเห็นไหมมันหายใจออกแล้วมันก็หายใจเข้ามันหายใจเข้าแล้วมันก็หายใจออกมันนั่งแล้วมันก็ขยุกขยิกไปเรื่อยแล้วป็นเดี๋ยวก็จะลุกขึ้นยืนยืนแล้วก็จะเดินเนี่ยนะเดินแล้วก็เป็นนั่งอีกหรือบางคนเดินไม่ดีแนละ้วลื่นลงไปนอนะ ในร่างกายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยทุกอย่างจะชั่วคราวไปหมดเลยร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปเลยดูลงปัจจุบันไปเรื่อยเราก็จะเห็นเลยเออร่างกายที่หายใจออกนะมันก็เหมือนไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะร่างกายเนี่ยเป็นเดี๋ยวก็โป่งขึ้นมานะมีลมเข้าไปก็โปง่งพอมลมออกมันก็แฟบลงไปนะร่างกาย ค่อยๆดูไปเรื่อยนะจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเนี้ยเป็นตัวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าดูทุกวันทุกวันนะค่อยดูไปดูไปถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะเห็นนะหายใจออกนะก็ทุกนะหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกนะดูไปเรื่อยนะ แล้วก็ร่างกายเนี <t när S 1> ่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาอย่างหายใจเข้าก็มีธาตุไหลเข้าไปหายใจออกก็มีธาตุไหลออกไปเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุการที่เราเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุดังนั้นเรียกว่าเราเห็นความจริงของกายเวลาจะเห็นความจริงของจิตใจก็แบบเดียวกัน เราไม่ได้ไปดูจิตให้นิ่งๆว่างๆถ้าดูจิตให้นิ่งๆว่างๆเป็นการเพ่งตัวจิตนะเป็นสมถะกรรมฐานแต่เราต้องดูให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์จิตใจเนี้ยไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหัดดูใหม่ๆนะเราดูเป็นวันๆก็ได้วันนี้ตื่นมาเราก็รู้สึกสดชื่นอีกวันหนึ่งตื่นมาไม่ค่อยสบายใจแต่และ ว, วันเนี้ยความรู้สึกเราไม่เหมือนกันเนี่ยหัดดูทีแรกหัดดูเป็นวันๆเลย ต่อไปพอชำนาญขึ้นเรามาหัน<ง>ด <Schne> e> <ห>ู <school> ในวันเดียวกันนะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าการดูจิตให้มีปัญญานะไม่ใช่ไปเพ่งจิตแล้วเป็นสมาธิเฉยๆอย่างตอนเช้าตื่นขึ้นมาความรู้สึกเป็นอย่างนี้ตอนสายความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะตอนกลางวันความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนเดิมตอนบ่ายความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งตอนเย็ยนตอนช่ําความรู้สึกไม่เหมือนกันตอนดึกๆความรู้สึกก็เปลี่ยนในวันเดียวกันเนี่ยความรู้สึกก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้เราค่อยรู้ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะดูสบายๆอย่าไปบังคับอย่าไปแทรกแซงมันดูไปทั้งวันอ่ะดูรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเราเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทีแรกก็ดูนานๆเห็นทีหนึ่งต่อไปชำนานนะเรจะเห็นได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นได้ไวขึ้นเรื่อยๆเราจะพบว่าเวลาตาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเวลาหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยน เวลาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจเราคิดใจเร า, เรานึกปรุงแต่งนะความรู้สึกก็เปลี่ยนเคยไหมคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วก็เกลียดขึ้นมาเลยหรือคิดถึงคนนี้แล้วก็ชอบขึ้นมาเลยะใจมันเปลี่ยนทีแรกมันเฉยๆมันก็เกิดรกักเกิดเกลียดขึ้นมาหรือเวลาเราได้ยินเสียงใช่ไหมบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบ่ ใ, ใจมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางทีถ้าได้ได้ยินเสียงนะไม่เพราะเลยจะเป็นเสียง ที่เราคุ้นเคยสมมติเป็นเสียงที่คุ้นเคยสมมติบ้านใครอยู่ใกล้ๆที่เลี้ยงไก่นะทุกเช้าได้ยินไก่ร้องอะไรเงี้ยห น, นูหูจะตายไปตอนอยู่ที่แรกก็หนูหูนะแต่มาย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่ น, นได้ยินเสียงไก่ร้องนคิดถึงตัวนี้โอ้มีความสุขอะไรเงี้ย น, นะใจมันได้ยินเสียงใจก็มีความสุขได้ได้ยินเสียงอย่างนี้มีความทุกข์เคยไหมได้ยินเสียงปุ๊บโกรธเลยมีไหมเคยหม อย่างเราเกลียดใครสักคนใช่ไหมเราได้ยินเสียงเขาพูดเราโกรธเลยนะขนาดเขามาพูดจัเราเพราๆนะสวัสดีอะไรนะเขามาพูดเพราๆนะั้นยังโกรธเลยเคยเป็นไหมเออแบบผ่านเต็มที่แล้ว <c oughs> นี่เราไม่ไม่ไปห้ามมันนะนี่คอยดูของจริงตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นเล้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยน ดูไปเรื่อยๆนะเราเราจะเริ่มเห็นมีปัญญาเห็นนะว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตใจนี้บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขได้ไหมจงมีความสุขมันไม่เชื่อหรอกถ้ามีความสุขแล้วก็สั่งต่อจงสุขนานมันก็ไม่สุขนาน อย่าทุกข์อย่าทุกข์เคยไหมบอกตัวเองอย่าทุกข์นะหรืออย่ากโกรธเคยไหมอย่ากโกรธนะอยากก่าโกรธเสร็จแล้วก็โกรธบางคนบอกอย่ารักนะแป๊บเดียวเขาหลงรักเขาเองอย่าสาวๆบางคนนะไอ้หนุ่มมันมาหลอกจีบไปจีบมารักเขานะเสร็จแล้วมันนอกใจเราโกรธมันตั้งใจว่าชาติเนี้ยไม่ดีกับมันอีกแล้วมันมายิ้มด้วยทีเดียวก็ดีกับมันอีกแล้วนใจมันเป็นของบังคับไม่ได้นี่เรารู้ทันใจของตัวเองนะ มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังค Jasmine, ับไม่ได้นะในร่างกายก็เห็นนเย่ยมีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเหมือนกันมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้นะมีแต่ของที่บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้นธาตุจิตใจก็แปรปลวนไม่อยู่ในอำนาจด้วยการที่เราคอยดูความจริงในกายดูความจริงของใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญาที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นปัญญาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการคิดเอาไม่ได้เกิดจากการอ่านไม่ได้เกิดจากการฟัง การอ่านการฟังนี่มันเป็นปัญญาของคนอื่นไปฟังของเขามาไม่ใช่ของเราสู้กิเลสเราไม่ได้หรอกปัญญาจากการคิดนั้นก็คิดถูกบ้างคิดผิดบ้างนะก็สู้กิเลสไม่ได้แล้วต้องปัญญาจากการเห็นของจริงเรียกปัญญาจากการภาวนาดูความจริงในกายดูความจริงในใจเรื่อยๆแตอย่าลืมนะก่อนจะดูได้ต้องฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนมาให้จิตตั้งมั่นจิตตื่นก่อนถ้าจิตยังไหลร่อนๆ่นรนไปมันจะไม่ดูกายดูใจตัวเอง รู้จักใจลอยัหมรู้จากเหม่อไหมตอนที่เราเหม่อนะใจมันหนีไปใช่ไหมเราลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจไม่มีทางเลยที่จะมาปฏิบัติได้การใจเราอยู่กับเนื้อกัตัวแล้วนะล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูแล้วดูอีกถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะเราควรจะได้ธรรมะ ถ้สมัยพุทธกาลนะท่านพูดถึงขนานว่าควรจะบรรลุพระอรหันต์บางคนนะท่านบอกว่าเจ็ปีก็ยกไว้เถอะบางคนแค่หกปีก็มีห้าปีก็มีสามปีก็มีปีเดียวก็มีบางคนท่านก็บอกว่าปีเดียวยกไว้เถอะนะเจ็ดเดือนก็ยังมีหเดือนห้าเดือนสามเดือนเดือนเดียวก็มีอะไรเนี่ยหรือว่าเดือนหนึ่งก็ยังเยอะไปบางคนแค่เจ็ดวันเองเจ็ดนะวันยกไว้เถอะบางคน หวันห้าวันสามวันวันเดียวหรือบางคนบรรลุตอนนั้นเลยนะมันอยู่ที่ปรมีที่เราสะสมมานะถ้าเราสะสมมาอินทรีย์เราแก่กล้ามากแนละ้วเรามาเจริญสติเจริญปัญญานิดเดียวนะก็หลุดแล้วนั้นบางคนเขาได้มาผลง่ายบางคนมันก็ได้ยากอันนี้เป็นความยุติธรรมนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าลําเอียงพระพุทเจ้าบอกทางให้เสมอกันหมดนะหน้าที่เราก็เรียนให้รู้เรื่องแล้วก็ลงมือปฏิบัติเอา ลงมือปฏิบัติแล้วบางคนเนี่ยมีบุญบารมีมาสะสมมานานแล้วเคยเจริญสติเจริญปัญญามามากแล้วเพราะนานนิดเดียวกว่จิตใจก็พ้นไปล้บางคนก็ไม่พ้นนะชาตินี้ยังไม่พ้นชาติหน้าใหม่ชาตินี้โสชาตินี้ยังไม่ได้โสดาเลยนะแต่เราพรานานขเราไม่เลิก่ชาติหน้ามัจะได้ง่ายนะคนที่เขาได้ง่ายเนี่ยก่อนจะได้ง่ายเนี่ยเขายากมาแล้วทางนั้นนะ อย่างคนที่ได้ง่ายที่สุดเลยในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ชื่อพระพาหิยะจริงๆไม่ใช่พระไม่ได้บวชที่เป็นพาหิยะเป็นพ่อค้านะแกเรือแตกแล้วก็ผ้าผ่อนไม่มีจะนุง่งนะก็ขึ้นมาเป็นชีปเปลือยชาวบ้านไปเห็นนะึนะกว่าพระอรหันต์คนนั้นก็คิดว่านี่พระอรหันต์เพราะว่าไม่ยึดถืออะไรเลยกระทั่งผ้านุ่งยังไม่มีเลยนะไม่ยึดถือคนน้อนก็อรหันต์คนนี้อรหันต์นะ สุดท้ายเลยเชื่อว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ยินดีว่ามีเทวดาเพื่อนกันนะมาเตือนว่าเธอไม่ใช่พรนะอรหันต์นะวิธีปฏิบัติทุกวันนี้ก็ไม่ได้นําไปสู่ความเป็นพระอรหันต์หรอกให้ไปหาพรุทธเจ้าตอนนี้ตรัสรู้แล้วอยู่ที่นี่ที่นี้ท่านพญายันตะ์ทิ้งความยึดถือว่าเป็นพระอรหันต์เลยนะรีบเดินไปเฝ้าพรุทธเจ้าหลายวันเดินแบบทํารุ่งหำค่ําเลยรีบจะไปฟังธรรมไปถึงวัดตอนเช้า เข้าไปถามหาพระพุทธเจ้าพระาในวัดก็บอกว่าท่านไปบินถบาศให้รออยู่ที่วัดอายาสบอกว่ารอไม่ได้ถ้ารอนีิประมาศใครจะรู้ได้ว่าใครจะตายเมื่อไหร่พระเจ้าอาจจะนิพพานในตลาดก็ได้อายาสจะตายอยู่ที่วัดก่อนที่จะได้ฟังธรรมก็ได้ไม่ยอมรอนะตามไปที่ตลาดเลยไปเจอพระเจ้าแล้วก็ไปทูลขอให้สอนธรรมะให้ครั้งที่หนึ่งพระเจ้าก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาตอนนี้ท่านจะบินถบาศ ครั้งที่สองผู้เจ้าก็ปฏิเสธนะถามถึงครั้งที่สามในตําราก็ถามบอกว่าทําไมต้องให้ถามหลายหนด้วยบอกจะได้คลายความตื่นเต้นหน่อยแรกเจอผู้เจ้าตื่นเต้นมากแ้วถ่วงเวลาสัหน่อยให้หายตื่นเต้นพระเจ้าแสดงธรรมนิดเดียวนะบอกว่าดูก่อนภาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นศัก์ว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นศัก์ว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นศักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มี ท่านไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตไม่ยึดถืออยู่ในปัจจุบันนะเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์ท่านพะยะฟังธรรมะไม่กี่ประโยคบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้บวชออกจากพระเจ้าน่าจะไปหาบาทหาชีมนมาเพื่จะมาบวชถูกบวชปิดตายซะ ก, ก่อนพวกพระด้วยกันก็ถามพระเจ้าบอกว่าจะเรียกพริยะว่าอะไรเรียกว่าอุบาสกดีหรือว่าจะเรียกสมณนะพรามณ์เรียกอะไรท่านบอกว่า เป็นนักบวชเรียบร้อยแล้วคือโดยที่ไม่ต้องปวดนะท่านให้ได้ถือว่าเป็นสมณะเป็นบรรพชิตเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ฆราวาสนะแล้วเพระจิต ท, ท่านเป็นพระหัต์เนี่ยภิกษุณีก่อนจะง่ายขนาดนี้นะลําบากเลือดตากระเด็นมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระพุทธกัสสปะเพระศาสนากําลังเสื่อมนะพระเจ้ า, าองค์ก่อนท่านนิพพานไปนานาศาสนาของท่านเสื่อมลงจนกระทั่ง พระรุ่นหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนะ่ะไม่มีทางบรรลุมรรคผลแล้ะมีเพื่อนๆกันหลายคนเหมือนกันนะพากันไปมีพรญิยะคนหนึ่งนะ่ะพากันไปขึ้นภูเขาะทําบันไดขึ้นไปรล้วิบบันไดทิ้งเลยภาวนากล่าวว่าถ้าบราลารลุพระอรหันต์ได้จะมีฤทธิศเขาหอไปได้นะปรากฏบางองค์ก็หนีไปได้หอไปได้บรรลุได้พระหิยะไม่บรรลุนะอดข้าวตาย อดอยู่บนเขานะีขนาดองค์ที่ท่านบนรรุแล้วท่านไปบินาบาบจะมาให้กินข้าวไม่กินนะบอกว่าไม่ได้ทำด้วยตัวเองแมวจะต้องพักเพียรว่าไม่ได้รักชีวิตไม่ได้มาเพื่อจะมากินข้าวแต่มาเพื่อจะมาสู้กิเลสให้ได้เนี่ยท่านตายทาั้งที่ไม่ได้ธรรมะนะในชาติก่อนนอนนะ่ะเอามาข่าวนี้นะ่เร็วมากเลยนั่นคนที่เข้าได้เร็วนี่นะเพราะเขาลาบากมาแล้วอย่าไปอิจฉาเขานะ วเวลาฟังซีดีหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านนะได้ยินคนอื่นเขาส่งกันบ้านแล้วอิจฉาอิจฉาโทษ ว, ว่าเขาจะดีได้เร็วกว่าเรานะเขาลำบากมากตั้งเยอะแยะแล้วพวกเราตอนนี้ยอมลำบากสัหน่อยนะลำบากก็ไม่ได้ลำบากมากมายอะไรหรอกหลวงพ่อไม่ได้ชวนว่าขึ้นมาบนพระธาตุขวดแก้วแเรารื้อถนนทิ้งหรอกนะห <c> ร <oughs> ือถีบบันไดรื้อถนนไม่ต้องหรอไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะ <c oughs> ขอแค่วันหนึ่งสักสิบหนาทียี่สนาที ไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์อันนี้หมายถึงต้องถือศีลเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันต้องถือศีลอยู่แล้วตั้งใจไม่ต้องมาขออาจารย์สมชายหรอกนะตั้งใจเอาเองก็ได้ศีลนะตั้งใจแล้วทุกวันมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็คอยนั่งทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งคอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปนี้มาหนีไปคิดก็รู้หนีไปเพ่งนิ่งๆอยู่ก็รู้จะทําให้ได้ทุกวันทุกวันนะแล้วต่อไปนี่มันจะเริ่มมาเดินปัญญาได้ อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละเห็นหน้าคนนี้ใจเป็นอย่างนี้เห็นคนนี้ใจเป็นอย่างนี้นใจเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปงลงไปเรื่อยนี่เรียกว่าเราจเจริญปัญญาละเวลาเจริญปัญญาเนี่ยทำอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละไม่ต้องไปนั่งสมาธิสมาเิ Kingdom, อะไรก็ได้แต่ถ้าบางคนเขาชำนาญสมาธิจริงๆเขาไปเจริญปัญญาในสมาธิได้นะแต่ว่ามีน้อยหรอกที่ทาได้เราส่วนใหญ่เราไม่ชนานาญในสมาธิ เราทำสมาธิแค่ว่าพอให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายใจแล้วนะเราก็มาใช้ชีวิตธรรมดาตามมาเห็นรูปความยินดียินร้ายความสุขความทุกข์อะไรเกิดที่ใจรู้ทันหูก็ได้ยินเสียงไปนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังไม่ใช่ว่าต้องไม่ฟังไม่ได้ยินหรอกนะแต่ถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยจะได้ยินการเมืองทั้งวันดูกันเมืองทั้งวันเนาะจิตเสียหมดเลยนะก็อย่าไปดูมากนะก็ดูพอดีพอดีนะอบอกอย่าดูเลยต้องไม่ได้อีก คนไม่ไหวอยากดูนะเนี่ยดูไม่ว่าจะดูอะไรจะได้ยินอะไรจะฟังอะไรนะจะพบจะเห็นอะไรจะคิดจะนึกอะไรนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะว่าทุกอย่างชั่วครา ว, วความรู้สึกทุกอย่างนะจะเป็นความรู้สึกสุขมันก็ชั่วคราวความรู้สึกทุกมันก็ชั่วคราวความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วก็ว ช, วชั่วคราวไปหมดเลยนะเนี่ยเฝ้าดูของจริงไป หรือบางคนไม่ถนัดดูจิตดูใ จ, ใจก็ดูร่างกายไปหร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกสุดท้ายไม่จารู้สึกเลยร่างกายที่หายใจออกมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายที่หายใจเข้ามันก็ไม่ใช่ตัวเราอีกดูไปดูไปร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาดูจิตดูใ จ, ใจนนก็เห็นมันทํางานได้เองมันก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างมันคิดมันก็คิดได้เองมันสุขมันก็สุขของมันเองมันทุกข์มันก็ทุกข์ของมันได้เองเราสั่งมันไม่ได้ จะเฝ้าดูของจริงนะซ้ําแล้วซ้ํำอีกดูไป7วัน7็ดเดือ น, น7ปีดูไปเรื่อยๆถ้าเจปียังไม่บรรลุก็ดไูไปตลอดชีวิตนะชีวิตนี้ยังไม่พอเพราะกิเลสเราหนาเหลือเกินอินทรีย์เราอ่อนเหลือเกินแล้วก็ดูต่อไปชัดหน้าอีกนะบางคนนะกิเลสก็แรงนะบารมีบุญบารมีก็แรงอินทรีย์ก็แรงนะอย่างนี้ก็มีถ้าพวกกิเลสก็แรงแล้วอินทรีย์แก่แก่กล้าด้วยเนี่ยนะพวกนี้จะภาวนานลําบากแต่ว่ารู้เร็ว จะได้ผลเร็วนะนี่บางคนกิเลส ก, ก็เบานะอินทรีย์ก็แก่กล้าคนนี้พอนางง่ายๆก็บรรลุเร็วเราก็ไม่รู้ตัวเราว่าจะเร็วกว่าจะช้าแค่ไหนแล้วก็ถือว่าชาตินี้มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ลงมือปฏิบัติซะให้เต็มที่เลยชาติต่อๆไปอาจจะไม่เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้นะอย่านึกว่าศาสนาพูดจะอยู่นิรันดร์ไม่มีอะไรเที่ยงหรอก ไม่มีอะไรเที่ยงหรอกงั้นชาตินี้เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วลงมือทำเสีสิ่งที่หลวงพ่ อ, อามาเล่าให้ฟังเนี่ยคนใหม่ๆอาจจะรู้สึกยากฟังแล้วเข้าใจยากกฟนะ็ฟังซีดีนะฟังซ้ําๆไปถึงวันหนึ่งก็เข้าใจขึ้นมาถ้าเข้าใจได้ในสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะการที่เราจะพาตัวเองให้พ้นทุกข์ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลือพิสัยที่จะทําล้วถ้ายังไม่รู้เรื่องก็ทนฟังไปฟังแล้วฟังอีกนะคงมีซีดีแจกเนี่ยนะ ฟังไปเรื่อยๆฟังซ้ำไปซ้ำมาฟังแต่ละวันนะแผ่นเดียวเดิมแผ่นเดิมใช่อันเดียวกันนี้แหละความรู้ความเข้าใจเราจะไม่เหมือนเดิมหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนเพลงต่างๆนะักไค้นอนชค้นี่สู้ซีดีหลวงพ่อไม่ได้หรอกเพลงพวกนั้นฟังแล้วนานๆก็เบื่อหมดฟังธรรมะหลวงพ่อนะฟังไปเรื่อยความรู้ความเข้าใจมันจะยิ่งกว้างกวางขึ้นใจนี่มันจะสว่างสวัยมากขึ้นนะพอนาอให้เทวดานับถือเราบ้างนะ มาหนาวาให้จริงจังเลยค่อยฝึกจิตฝึกใจให้สว่างสบากิเลสลดลงลดลงนะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ให้มากขึ้นมากขึ้นมันใสออกไปถึงข้างหน้าเลยนะร่างกายเรานี้ใสไปหมนเลยภาวนาเข้าอย่างตูวอนี้หลวงพ่อไปไหนมาไหนนะนั่งรถไปไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี้นะเห็นหน้าคนปุ๊บรู้เลยนะคนเนี้ฟังซีดีเห็นหน้าก็รู้ละ คนฟังซีดีหลวงพ่อนะมันจะสวยกว่าคนทั่วๆไปนะอ้าวไม่ได้แกล้งหลอกนะสวยจริงๆอ่ะหน้าตามันใสสะอาดบางคนตัวดำดำนะแต่ว่าภาวนาดูตื่นขึ้นมาอู้ดูมันน่าดูนะมันดำแต่ว่ามันน่าดูสะอาดหมดจดนะบางคนหน้าตาเขาสวยเหลือเกินนะมองเข้าไปนะโสโครกดูไม่ได้เลยใจดำอำมหิดนะนาขาวๆทาแป้งไว้ชูวพวกเราไม่ได้หรอก พยายามฟังซีดีนะแก่ๆฟังแล้วอายุยืนนะพูดจริงๆนะไม่ได้หลอกเรฟังแล้วเนี่ยจิตใจมันมีพลังนะรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นคนแก่เนี่ยที่ตายมากเพราะหกล้มเรฟังซีดีมีสติมีอะไรนะไม่ค่อยหกล้มเราไม่ค่อยตายเลยเอันนี้ค่อยๆฝึกเอาแล้วฝึกไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์พระเจ้าค่ะอยากจะทูลพระพุทธเจ้าเลย ธรรมะของพระองค์อัศจรรย์จริงๆสอนวัวสอนควายอย่างพวกเราให้พ้นทุกข์ได้ทําไมจะไม่อัศจรรย์นะเนาะใครสอนควายขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้นะหรือสอนเจ้าะเคให้รอดบ่วงหเห็นเสือกระโจนหนึ่งสอนตะเคโอ้ท่านอย่างสอนพวกเราจนตะดีขึ้นมาได้นะสะอาดหมดจดขึ้นมาได้ไม่ธรรมดาหรอกธรรมะของท่าน หลวภาวนานะแล้วก็รักพระพุทธเจ้าแบบมอบกายถวายชีวิตได้เลยทุกวันนี้ตะเวนสอนธรรมะเนี่ยไม่ได้ไปสอนเอาตังนะพยายามสอนสอนไปถือว่าแทนคุณพระพุทธเจ้าโลวงพ่อเอาธรรมะมาให้พวกเราแล้วนะเพราะเราภาวนาครับแล้ววันหนึ่งเรามาช่วยกันแทนคุณพระพุทธเจ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็บอกต่อแต่อย่ารีบบอกนะ บางคนภาวนาไม่เป็นเลยหน้าดําเหมือนกับก้นหม้อแบบโบราณอะรัศ <c oughs> มีอะไรก็ไม่มีเลยนะดําปิดฝีเลยนะยังอยากสอนเลยนะอยากสอนเขาไม่อยากเรียนก็ยังพยายามไปสกิทเขาฟังหน่อยสิฟังหน่อยนะโถตัวเองอย่าเอาไม่รอดเลยอย่างนั้นไม่เอาภาวนาไปเรืนะ่อยนะรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันใจของเรา พระอาจท่านบอกเขเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหนายเพราะเบื่อหน่ายยังคลายความยึดถือคลายความยึดถือก็หลุดพ้นพอหลุดพน้ดพนแล้วก็พ้นทุกข์ละไเลยฝึกทุกวันทุกวันนะอย่าให้เสียชาติเกิดบ้านเมืองมันจะวุ่นวายมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะหลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วก็เห็นในบ้านเมืองจราจรลดราค่าฟันกันเองเนียมันต้องหลายยกแล้วนะที่จําได้ก็ หลายข่าวแลวก็คงมีไปเรื่อยๆนะนี่เราพอนังงเราให้ดีก็แล้วกันเกิดเราโดนลุกหลงนะมีนะมันลุกหลงมันมาได้ใช่ไหมเดินอยู่บนถนนมันตีกันโดนลุกหลงตายในขณะนั้นจิตของเราพลังเป็นรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโดนลุกหลงตายขนาดนั้นไม่ต้องกลัวเลยลูกพระพุทธเจ้าไม่ไปอบายหรอกนะเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีนะทุกวันทุกวัน ถือว่าเราแทนคุณพระเจ้านะท่านอุตษาคนกวอยสแสวงหาธรรมะม า, มาด้วยความยากลําบากมากเลยลําบากแบบแทบตายทั้งหลายรอบรอดชีวิตมันก็ได้ธรรมะมาสอนเราดังนะั้นเราก็เรียนแล้วเราก็ปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเราถือว่าเราแทนคุณท่านแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนพ่อแม่เราพนะระเจ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่เราบอกเราว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทํา การที่เราไม่ทําในสิ่งที่ท่านห้ามเราทําในสิ่งที่ท่านให้ทําเนี่ยมันก็เหมือนเราแทนคุณพ่อแม่เราละพ่อแม่เราก็มีความสุขนะนี้เราก็แทนคุณพระพุทธเจ้าท่านให้รักษาศีลเราก็รักษาศีลท่านให้ฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับตัวเองเราก็มาฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวท่านให้หัดเจริญปัญญาดูความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ปฏิบัติของเราไป เป็นการบูชาท่านเป็นการแทนคุณท่านฝึกไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งนะใจเราเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้ า, ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงๆว่าใจเรานี้แหละเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาใจเรานี้แหละสัมผัสพระธรรมใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเลยนะเราดูต่อไปพอนาต่อไปนะใจกับพระพุทธเจ้าจิตเรากับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันขึ้นมาอีกนะ เข้าถึงกันสืบเนื่องกันมาด้วยความบริสุทธิ์อันเดียวกันเลยรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะถ้าถึงภาวะนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่มีที่ไปต่อแล้วนะจิตจะไม่ยั่งลงไปสู่ภพภูมิใดๆอีกแล้วจิตของเรานะพอร่างกายนี้แตกดับนะจิตก็จะจับร่างกายจิตใจใหม่ขึ้นมานะเพราะอะไรมันยังไม่เห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวทุกข์ไม่เห็นว่าร่วมนามเป็นตัวทุกข์ก็จิต ร่างกายนี้แตกดับนะมันก็ตะครุบอันใหม่ทันทีเลยเพราะมันรู้สึกว่าเป็นของดีแต่ยังจิตพระอรหันต์เนี่ยนะเห็นแจ้งแล้วก่ายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ดังเวลาตายเนี่ยนะจิตจะไม่เป็นตะครุบเอารูปน้ำใหม่ขึ้นมาอีกแล้วไม่มีการหย่างลงไปเกิดอีกต่อไปล้วนะเพราะเราฝึกนะค่อยๆฝึกไปถึงวันนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ชาตินี้ยังไม่เป็นนะก็อเอาให้ใกล้ใกเข้าไปใกล้เข้าไ ป, าไปทีละน้อยน้อยไปอย่างดีงนั้นทุกวันต้องปฏิบัตินะ ใครไม่ไปฏิบัติก็ทุกไปแหละต้อทุกไปเรื่อยๆนะใครปฏิบัติก็ทุกน้อยลงน้อยลงถึงวันหนึง่งโอ้มีความสุขอย่างมันมีความสุขแล้วมองมาทางหลังเนี่ยมีแต่คนทุกข์ท้อใจนะที่แรกจะท้อใจทุกคนอะท้อใจเลยว่าโอ้โหจะบอกไว้เลยเราอยู่ของเราคนเดียวสบายกว่ายากเหลือเกินที่จะเขียนกลายขึ้นภูเขาหรือสอนเจ้าระเเคงให้รอดบ่วงเลยรนะี่ไม่ใช่ง่าย เอตัวรอดเลยแต่พอหลายๆวันเขานะก็จะเริ่มความการุวนกระวายจะเกิดขึ้นรู้สึกว่าแต่ก่อนเราก็เหมือนเขาอ่ะทำไมเรายังทำได้ไม่ได้เก่งกว่าเขาหรอกแต่ว่าอดทนกว่าเขาแล้วค่อยๆฝึกของเราไปแล้วก็มาจนได้คนอื่นเขาก็ถ้าเขาอดทนนะเขาก็มาได้เหมือนกันะเราไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกล้วปัจจัยเกิดอย่างนี้นะท่านก็ออกมาสอน เน่แต่พระพุทธเจ้าลงมาครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านภาวนาเป็นแนละ้วท่านอยู่คนเดียวสบายกว่าสุดท้ายท่านก็ถนไม่ไหวส่งสารสัตว์โลกต า, าดำดำนะบางคนก็ตาน้ำข้าวอยู่นานไปหน่อยภานะวนาข้าวนะพวกเราอย่าปวดเล่าคนแก่นะเขาตายปุ๊บเเป็นเด็กกว่าเราอีกเดี๋ยวเราก็แกกว่าเขาบ้างนะเอาวันนี้พอสมควร ฝึกฝึกนะโดเฉพอจะอาจันจริงๆ ก, การล ม, มส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือเคยปฏิบัติเคยเริ่มศึกษาธรรมะม า, มาตั้งแต่ปีสองห้าสี่แปดค่ะพระอาจารย์แล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็จนมาฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยนะคะ อ, อันแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะจ<อ>นฟังไปฟังไปเรื่อยๆเออก็เข้าใจว่าว่าดูจิตคือยังไงนะคะ ฟังซีดีหลวงพ่อนะั้นมันจะแปลกนี่นะฟังที่แรกไม่รู้เรื่องนะแต่พอทนฟังไปนะพอเข้าใจแล้วนะคราวนี้ไม่ว่าฟังใครพูดก็รู้เรื่องหมดเลยนะอ่านพราไตรปีดอ่านอะไรรู้เรื่องหมดเลยอ่านอริยธรรมยังรู้เรื่องเลยแปลกค่ะแล้วก็ทีนี้หนูก็ฝึกมาเรื่อยก็รู้สึกว่าตัวเองแบบดีใจที่ตัวเองนั่งสมาธิอะไรได้นะคะแล้วก็หลังๆมานี่พอพอแบบว่าจิตเราเริ่มไปทางอื่นลนะเหมือนเรากิเลสเ ร, เ ร, เราเยอะก็จะมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหนูก็จะกลับมา แต่ตอนหลังช่วงนี้นี่คือเหมือนไม่เอาอะไรสักอย่างเลยค่ะเพราะ ม, มันกลับมาไม่ได้มันอยากจะมานั่งสมาธิทําไมมันไม่มีใจอยากทำเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจะข้ามภพข้ามชาตินะมารมันจะต้องกว้างเลยต้องพยายามถ่วงเราล้างเรานะมารมีทั้งมารภายในมารภายนอกมารภายในเราก็กิเลสเราเองนะนะหรือความปรุงแต่งภายในนะะี่ค่ะพี่สังฆารามากิเลสมาร มารข้างนอกก็มีพวกเทวปุฏิมาที่มันร้ายๆนะที่ปล่อยคลื่นปล่อยพลังงานไม่ดีทําให้เราขี้เกียจภาวนา <Okay. S 1> ท้อแท้ใจใเบื่อหน่ายมันไม่อยากนะทําเลยมันเหมือนดังนั้นนะเราต้องอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้เลยว่าเราขอมอบกายถวายชีวิตนี้ขี้เกียจก็จะภาวนาต้องตั้งใจให้เด่นเดียวเลยนะมารเนี่ยสิ่งที่จะชนะมารก็มีแต่พระเท่านนะั้นแหละ คิดถึงพระเจ้าได้ได้ๆนะตามท่านตั้งใจขอตามท่านขอตามท่านให้มันติดเดียวภาวนาไปชี้เกยียรติก็ภาวนาท้อแท้ก็ภาวนาไม่เลิกหรอกจะ แ, แค่สวดมนต์เสร็จแบบง่วงนอนมากก็สวดมนต์ก็แล้วก็จะนอนเลยนะคะเอองั้นก็สวดให้เร็วขึ้นหรือสวดตอนเช้าตื่นให้ใบหน่อยมาภาวนาตั้งแต่เช้า ถ้าตอนเย็นอาจะเหนื่อยมากหมดเรี่ยวหมดแรงแะย่ถ้าเหนื่อยมากอย่างนี้เรียกขันธมารร่างกายมันอิดโรยเต็มทีมภาวนาไม่ไหวแม้มายมีตั้งหลายชนิดน่ะมันมีทั้งข้างในข้างนอกข้างในมีตั้งแต่ขันธมารเนนะืร่างกายเรานี้กิเลสมนนันีก็ขวางคอยบอกเราอย่าทําอย่าทำํำอาพิสังฆละมานคิดโน้นคิดนีนดน้ฟุ้งไปเลยข้างนอกมันก็มี เทวปฏมาลหรืออีกตัวเดียวนะเหนือมัจจุมาลแล้วอีกอันหนึ่งคือหนูจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวเองกําลังสับสนเออเรามาถูกทางไหมไม่ยากนะเลยสับสนรู้ว่ากําลังสับสนอยู่เห็นไหมเราดูภาวนานนะเราได้เห็นความสับสนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมันสับสนเพราะคิดนะเถ้าเรารู้ทันขณะที่เรารู้ว่าสับสนเนี่ยขณะนี้เราไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คิดต่อ รู้ว่าสับสนเราจะเห็นสภาวะของความสับสนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราดูแล้วเราก็เห็นใจรักณอยู่ดีงั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยบางครั้งเกิดสภาวะที่ดีนะใจสว่างใจใสสบายบางครั้งเกิดสภาวะที่เล็วมืดมัวดูอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีปัญหาเลยนะสภาวะอะไรก็ได้เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยเพราะสภาวะทั้งหลายเนี่ยสอนใจรักษเท่ากันนะจะดูให้มันเห็นใจรักเท่าเท่ากันเพราะงั้นมัว ไม่ต้องตกใจมัวรั่มวมัวใจไม่ชอบรั่วไม่ชอบดูเข้าไปอย่างนี้เลยนะล้วก็ขาดสะบั้นไปเลยหลวงพ่อก็อเคยเป็นตอนบวชพรรษาแรกๆแลนะ้ววันนี้มัวจงหิหๆทำไงบ้าแปลกธรรมดาเนี่ยนะจิตที่เป็นผู้รู้สว่างสวยตลอดเลยทำไมมันมัวดูแล้วก็มึนๆ ม, มัวมัวนะทำไงดีไม่รู้จะทำไงนะทีแรกดูอยู่วันสองวันเฉลียวใจมัวก็สภาวะ มัวก็เท่าเทียมกับสว่างนั่นแหละดูก็ไปตรงๆเลยเห็นใจที่ไม่ชอบนะความไม่ชอบขาดสะพับบ่นไอ้มัวก็ขาดไปด้วยเลยง่ายมากเลยนี่ภาวนาอาสจรจจัสนุกมากเลยขอบคุณครับงานศึกษาุทอืมดมากครับผมพอจะพอจะเดินปัญญาอยู่หรือเปล่าครับใช่มันสว่างออกนอกไหมก็ส่วนจะออกใช่เอาน้ำจ้าออกนอก ถ้าใจเจ้าออกนอมจะไม่เดินปัญญาหถนะือว่าสมาธิไม่พอจิตไม่ถึงฐานเพรานั <Okay. S 1> ้นเราให้จิตถึงฐานส่วนถ้าจิตมันเจ้าออข้างนอกแล้วก็จะมีแต่ความสุขความสบายทั้งวันโล่งๆสว่างนะถ้าเกิดสภ า, าวะอย่างนี้ขึ้นเนี่ยให้ย้อนมาดูร่างกายบ่อยๆเลยร่างกายเนี่ยเป็นบ้านของจิตมาดูบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะเห็นเจ้าของบ้านพีอ่อันหลวงพ่อพอจะพาให้ผมดูไปรลักษณหน่อยได้ห ไม่ได้ไไดเพราะว่าจิตไม่ถึงการจะไม่มีแต่ร่างมีแต่ว่างว่างสว่างเงั้นตูไ ก, ก่นะกับย้อนเข้ามาพยายามย้อนย้อ น, อนมันมีวิธีหนึ่งแต่เป็นวิธีที่ล่อแหลมนิดหนึง่งล่อแหลมต่อการเพง่งนะถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเอาความรู้สึกตัวนะั้นจับไว้ที่ลมแล้วหายใจเอาความรู้สึกตัวเข้ามาสักครั้งสองครั้งนะไม่ให้ไม่ให้เกินสามถ้าสามเนะ้นแน่นปึ๊กเลยแล้วแก้ยากเลย ลอับที่จิตจับไปที่ลมหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้าบ้านรู้สึกไหมมันเขามาแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วนะทําอีกทีก็ติดแล้นะสองทีพอรู้สึกไหมมันไม่ออกแต่จริงๆเราไม่ได้อยู่ข้างในนะเราไม่ได้เอาข้างในนะไม่ได้เกลียดข้างนอกนะแต่เพียงแต่ว่าให้จิต ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อยแยกขันถ้าจิตออกไปสว่างว่างเนี่ยมันจะไม่ยอมมาดูขันละมันจะขีเ้เกียจเงื้นการที่เราต้องทวนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาจิตที่ตั้งมั่นนะแต่อาศัยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันดูขันมันทำงานสุดท้ายเราไม่ได้เอาทางข้างในข้างนอกแล้วการมีมาตรการครับจิตปกติไหมหรือไม่ปกติตื่นเต้นไ่นเต้น ตัวงก็ไม่ห้ามมันห้ามมันไหมนิดหน่อยเออนิดหน่อยให้รู้นะครับออนี่ไปบังคับจิตผมมันช่วงหลังมานี่มันจะเห็นแบบสอนนอนรับเป็นยังไงมันจะเห็นว่าความคิดมันสร้างตัวเราขึ้นมาให้เป็นชุดๆแล้วส่งเข้ามาส่งเข้ามาให้รู้ทันจิตไหนะต้องดูออกนอกไปตอนนี้คือดูออกนอกไปใช่ไหมไปสนใจปรากฏการณ์ เรามีปรากฏการ์เรารู้ปรากฏการ์นะไม่ปฏิเสธหรอกแต่ว่าพอมีปรากฏการ์แล้วจิตเราเป็นยังไงรู้ทันไหมเออตัวนั้นมันเป็นแค่ความคิดใช่ไหมครับเช่ปรากฏการ์เป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความคิดเป็นเป็นสังขารมันปุงขึ้ใช่สังขารมันปรุงขึ้นมนาเราไปดูตัวสังขารเราดูมาไม่ถึงจิตอเราย้อนกลับเข้ามาดูอีกทีนึงเออวิธีย้อนไม่มีอะไรหรอกเขารู้ทันว่าจิตมันรู้สึกยังไงต่อสังขารอันนี้ คืออย่างถ้าผมเห็นเนี่ยเหมือนถ้ายิ้มอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมจะเห็นว่ามันร่างกายนี่มันก็มันได้เห็นร่างกายมันยิ้มใช่ครับแต่ว่าที่ที่ยิ้มนะที่รู้สึกว่ายิ้มนี่คือเห็นว่ามันเป็นข้างในมันยิ้มออกมาเอี่ยจิตมันยิ้มข้างในก่อนนะร่างกายก็ยิ้มตามจิตมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวคือที่เห็นเห็นคือดูอย่างนี้เลว่า คือเวลาที่เราดูถึงกายเนี่ยนะอย่าให้จิตไหลไปแช่กับกายอดูแบบคนดูอยู่ตา่างหากห้ากายก็ส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหากนะแต่ว่าไม่ได้ไปเพ่งที่กายแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งที่ใจแค่รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เพงแน่นแล้วไหมเออแน่ น, นแล้วถ้าแน่นย็เพ่งแล้ว จิตหนไปคิดหรือยังครับมันพยายามอย่าพยายามมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพยายามเป็นคำผือภาพคําจริงๆรือโลภ <c oughs> มันมีอะไรก็ดูไปเลยนะฮะดูไปมีอะไรเกิดขึ้นก็รว น, นแต่แสดงใจรักเท่งนั้นแหละแล้วถ้าเห็นมันแสดงใจรักษนะแต่ว่าเราไม่ถล้ำไปเห็นนะ เราดูสบายๆดูเหมือนอะไรมันผ่านมา้วมันก็ผ่านไปเราไม่ตามมันไปนะแต่ว่าตอมันแสดงใจรักแล้วจิตเรายินดีไิน้ยขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ทันออกเป็นขนาดๆต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆต้องสบายนะแต่สบายอย่างนี้ไม่ได้สบายออกนอกนะได้นะที่ภาวนามาดีทุกคน มาเทศที่เนี่ยอหลวงพ่อชอบนะอสบายดูแล้วสะอาดสะอา้านนมันสการค่ะหลวงพอ่ออ mm hmm. จีโนรู้สึกว่าช่วงเนี้เขาจะมีฉันท่านในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็คือไม่ค่อยโลภหรือว่าเร่าร้อนในธรร ม, มะค่ะหลวงพอ่อถ้าฟังธรรมธรร ม, มะของหลวงพ่อในซีดีเนี่ยเขาจะเข้าใจธรร ม, มะที่หลวงพ่อเทศ แต่ถ้าเรานึกย้อนไปเนี่ยมาเราก็จะนึกไม่ออกว่าตะ ก, กี้เขาเข้าใจอะไรแต่เขาจะเข้าใจของเขาเรื่อยๆเว <ใน S 1> ลาที่จิตเข้าใจกับเราเข้าใจเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะ<ฆ>เราเข้าใจมันเป็นสัญญาแตจิตมันจะเข้าใจเป็นปัญญาของจิตไม่รู้หรอกบางทีอย่างเรานั่งฟั ง, ฟงธรรมะหรือเราภาวนานะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมันมันจะรู้สึกชัดเจนมากเลยเราเลิกฟังหรือเราออกจากสมาธิมานะนึกย้อนนะจะตื่นตน่นนะ มันจะไม่ลึกซึ้งแล้วแล้วก็มันจะเห็นความคิดประมาณว่าเขาเวลาคิดเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นความคิดที่เหมือนกับไม่ใช่เราคิดอะมันจะเป็นห่างๆแล้วก็ไม่อินไม่มีความรู้สึกเออแต่ว่าตรงที่ห่างๆเราก็ไม่จงใจให้ห่างนะค่ะถ้าประคองให้ห่างก็ผิดอีค่ะ แต่แต่ช่วงนี้มันเหมือนเข้าปกครองแบบพยายามที่จะรักษาชาวบ้าให้หลวงพ่อดูไงค่ะนี่เลิกซะแล้วก็มันมันจะไปเพศรักดีค่ะก็ยังมีอยู่ค่ะก็ตะกี้ก็ยังมองเขาเพราะว่าช่วงนี้มันจะวุ่นๆกับงานเขาพยายามที่จะดึงกลับมาค่ะหนูคอยรู้ทันกิเลสต่างๆนะค่ะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้เท่าทันมันถือว่าถ้าดูไปแล้วก็ใจดูกิเลสไม่ออกก็ดูกายดูไปได้ ในมรสการั้มรสการก็เป็นเพาะว่าตอนนั้นก็มีเดินตรงโกงแล้วก็เคลื่อนไหวม่รู้สึกตัวสุดแล้วก็คิตไหลไปคิดบางทีก็รู้ันบงทีก็ไม่รู้ันใช่ได้แล้วก็ช่วงนี้กำลังดูเป็นไตหลักก็คือว่าบางทีจิตไหลไปคิดแล้วมันคิดของมันเองแล้วมันก็ดับของมันเองอเงนะี้ยแต่แต่ก็ช่วยมันคิดอยู่เยนะเงี้ยยังอาจจะ น น, นตยเีช่วยมันคิดตอนก็ได้นะบางตอนคิดเรื่องไตรลลักนะแต่ว่าตอนที่เป็นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยมันเห็นเนาะไม่ได้คิดทั้งแต่เบื้องตอนบางคนก็ต้องอาศัยคิดเอาอลักษณะของที่เหมือนว่าเราเห็นเหมือนใจรักเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงบ้างกรับคุณผูเหมือนว่าเวลา ก, ก็เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาสิ <laughs> ใจรักหรือใจรักนะอย่างเราเห็นนะความโกรธผุดขึ้นมานะแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยอันนี้เ ร, เรียว่าเห็นอ น, นิจจังตัวที่เห็นทุกขงนะังเห็นความโกรธผุดขึ้นมานะความโกรธก็ค่อยๆกลอนไปเรืเ่อยเค่อยๆสลายตัวนะถูกบีบคั้นความโกรธเองก็อยู่ไม่ได้นานถูกบีบคั้นนี่เรียกว่าเห็นทุกทุกขงังความโกรธจะขึ้นมานะก็เพราะมันมีเหตุจะ ก, กระทบอารมณ์ต่างๆไม่พอใจ ความโกรธจะดับไปแล้วก็ดับไปเพราะเหตุมันดับไม่ใช่เพราะเราสั่งอันนี้เรียกว่าเห็นุอนัตตานะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อันนี้เป็นตัวอนัตตาแล้วอย่างกระผมจะเพิ่มเติมตรงไหนบ้าครับจิตขนาดนี้ปกติไหมมีสัน่นนิดนึงครับอือจะได้กดมันนะงั้นจิตจะจะไปเจ้าออไปข้างนอกรู้สึกตัวไปสบายๆตอนอยังไม่จับมือก็ดีอยู่นะ ทำมเลยตัวแข็งไปแล้วมีเพื่อนเติมจิตฟุ้งเก่ง <c oughs> หาเครื่องอยู่ให้อยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไปจิต <c oughs> ฟุ้งเก่งคิดเก่งเพื่อ <c oughs> เราหายใจไปพอจิตหนีเรารูหนีเรารูหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตดีให้จิตสงบนะหายใจเล่นๆไปหายใจ ใจเข้าพูดแตใจออกโทรแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ฝึกบ่อยๆเพิ่มสมาธิที่ถูกต้องนะสาระตัวนี้เป็นเพ่งเลยหมายถึงว่าจิตเยังไม่ตั้งมันขนาดนี้ไม่ตั้งมันขณะนี้จิตออกนอกดูออกไหมจิตมันจ้าไปข้างนอกเม้่จิตมันจ้าไปข้างนอกนะเราก็ลืมไปไม่ต้องไปดูที่จ้าแล้วเราหายใจด้วยความรู้สึกตัวเอาใหม่ อย่าไปฝืนอย่าไปฝืนให้ใจสบายสบายใจให้สบายให้มีความสุขเนี่ยใจนะใจสบายนุ่มๆใจมันเข้ามาใจมันตั้งมั่นแล้วดูไปตั้งกายไม่ใช่เราหรกเห็นต่างกายไม่ใช่เราค่อยๆดูไปการหลวงพ่อคือเตนรก็อยากให้หลวงพ่อแนะนาครับ ่วงนอนไง่วงนอน่วงนอนให้นอนคําแนะนําหิวให้กินง่วงให้นอนนะ้าจริงจริงนะหิวก็ต้องกินใช่ไหมจะ ต, ตะกระไม่กินนะง่วงให้นอนแล้วขี้เกียจไม่นอนนะตอนนี้ร่างกายมันเหนื่อยร่างกายให้พักผ่อนแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนแล้วก็มีสติ ตอนนี้จะนอนแล้วรู้สึกตัวไปนอนเรารู้สึกนอนไปสักยิบหนึ่งนะมันรู้สึกตัวขึ้นมาภาวนาต่อไม่นอนนานนอนเป็นยิบยบสบายสบายมากภวนาบางคนจะต้องทีตต่อทุกวันนี้คือมันมีความหหงิดมันง่วงแต่นะมันง่วงง่วงนอนทำแต่เช้าแต่ตอนเนี้ มันเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนนะช่วงบ่ายอ่ะกินข้าวแล้วอาหารมันเป็นพิษเนาะมันตวงตาตอนนี้ง่วงน้อยลงไหมเห็นไหมมันเปลี่ยนมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมแย้กระทั่งง่วงนะเรายังไม่ปฏิเสธมันเลยมันก็คือสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเองมันง่วงมันก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยแล้วก็มันบังคับไม่ได้ ดูใจนะใจ เ, เอาร่างกายมาช่วยไหนก็ได้รู้สึกไปรู้สึกรู้สึกถ้าเวลาจิตใจเราไม่พร้อมนละวง่วงเต็มทีนะแล้วเราอยางจะพอนานเราก็ดูกายขยับไปแต่ถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลับไปวันนี้อย่าให้หรดอัดนะนี่น้การลงพ่เจ้าค่ะมาไง ดยอยาก้ยนืนไมปฏิบัติไม่ก้าวหน้าทีจาค่ะใทไมจะไม่ก้าวหน้าเช่นี่ก็ก้าวหน้าแล้วชเจ้าค่ะช้าเพราะว่าอยากเร็วเจ้าค่ะนะไม่ช้าหรอกเวลานั่งสมาธิห่งสัก น, น, นาทีสนาทีว่างเจ้าค่ะมันว่าเราก็ลุกขึ้นกวาดบ้านไปเลยน ะ, ะทำงานมีคนหนึ่งนะเป็นแม่พระที่วัหลวงอเป็นยมแม่ของพระ ทำกรรมฐานกนะ็คือทำงานบ้านนะแต่กลางคืนถ้งไหว้พระสวดมนต์อะไรปกติดูในรูปแบบจิตเคลื่อนเรารู้เวลาที่เหลือเนี่ยทำงานบ้านทั้งวันเลยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวนะทำอยู่คนเดียวนะบางคนต้องทำอย่างนี้ก็จะเสียใจนะเราลําบากคนเดียวคนนี้ไม่เสียใจว น, นี้ดูเห็นกายมันทำงานแต่เห็นใจมันทำงานนะเพ้าะนาเก่งนะ ถ้า่างนั้นถ้าโยมตอนางแล้วมันง่วงนะดูกกยเอาร่างกายทํางานโดยธรรมชาติแล้วถ้าเราอายุเกินห้าสิบเนี่ยมานั่งสมาธินิ่งๆเดี๋ยวจะหลับง่ายเป็นธรรมดาเป็นทุกคนนะนี่เราเอาร่างกายมาช่วยเอาความเคลื่อนไหวมาช่วยกวาดบ้านไปถูบ้านไปอะไรงเงีกวาดเสร็จแล้วทําไงดีอ่ะกวาดเสร็จแล้วกวาดอีกก็ได้ เมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะเป็นบวชวัดชนประทานที่วัดชนประทานตอนนั้นนะมีพระโยงหนึ่งตื่นเช้ามาไปบินจ บ, บาตฉันเสร็จเนี้ย น, นะถือไม้กวาดสองอันนะกวาดวัดเลืนกวาดไปเรื่อเยเลยบอกวัดท้ายวัดกวาดทั้งวัเนเนละยจนเย็นเลยเราเป็นภาวนาไม่เป็นตอนนั้นยังเด็กอยูหลวงพ่อทำไมไม่ไปนั่งภาวนาหลังวัดด้วยกันนะ่ะ ชวนท่านนะสงสารท่านโ ส, สมมาตะกวาดแต่วัดเนี่ยโง่โงไม่ใช่ท่านโง่นะเราหลยโง่ท่านภาวนาเราไม่รู้มีหน้าไปชวนท่านเองหลวงพ่อไปนั่งสมาธิกันหลังวัดดีกว่าคุณพี่เธอคุณคุณมีเวลาน้อยเอย่าหลวงพ่อจะกอดวัดเองมันนึกย้อนไปทีนี้โอ้โหเราเนี่ยมันโง่จริงเลยท่านภาวนาทั้งวันเลยนะกอดเนี่ยกา ด, าดรู้สึกรู้สึกนะ อง น, นี้มีปอดอยู่ข้างเดียวนะปอดวัดนี่แข็งแรงมากเลย<ส>การภาวนาเ น, นี่ยนะไม่ใช่อยู่ที่จะต้องนั่งท่านี้ท่านี้หรอกอะนะให้มันมีสติไว้ยืนเดินนั่งนอนเป็นภาวนาหมดเลยว่าไงถือศีลแปดหรือไม่ค่ะอยู่แต่บนันพะตงเออถือศแต่บันพะก็ยังดี พวกหนุ่มๆสาวๆลองถือดูบ้างนะเอาสักอาทิตย์ละวันก็ได้หรือเดือนละวันก็ยังดีลองดูรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเคลื่อนไหวไหมลืนไหวลรวรู้สึกเคลื่อนไห ว, <c oughs> ไหวล้วรู้สึกหน้ามมากจาาังพยายามเคลื่อนไหวนะเอาร่างกายมาช่วยดูจิตอย่างเดียวไม่ได้ดูจิตอย่างเดียวไม่พอเ <c oughs> าอยุเ ย, ย, ยอะขึ้นแล้วดูจิตจะหลับ การนั่งพิจาวนามาแล้วตอนนี้รู้สึกถึงสภาวะที่ว่าเออเจออะไรแล้วมันรู้สึกง่ายๆค่ะง่ายๆเหรอไม่ใช่หงุดหงิดเหรอหงุดหงิดเห็นปั๊บก็รู้สึกว่าเห็นหงุดหิดง่า ย, ยเห็นโกรธง่ายๆเห็นเพราะว่ามันหงุดหงิดง่ายอ่ะสินะมันกระทบปั๊บมันหงุดหงิดไว้ก่อนนะ แล้วก็ดูไปว่าหยนหยวนใชเออมันมันไม่ใช่สบายใช่ไหมไม่สบายใจยังไม่แช่มชื้นดูออกไหมมันมีหงุดหงิดแซบนะแต่ว่าโยนโยวนมะแต่ภาวนาในภาพรวมถือว่าดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะเลยค่ยฝึกของเราไปรู้เท่าทานันจิตเรศอะไรเกิดรู้ทันไปได้<ช>มันหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้อย่างเนี้ยอยากพูดเห็นไหมมันจะดันขึ้นมา เพ่งรู้หรือนะมเ่องอื่นอ่ะนะค่อยรู้ทันไปเลยจินเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวความเปลี่ยนแปลง เ, เขาเขาเปลี่ยนได้เองเขาไม่ใช่เราหรอกพยายามดูสภาวะนะในมุมของอนัตตาไว้นะเขาเป็นเอง ม, มันไม่ใช่เราสั่งได้นะมันเป็นเองมันเป็นเองพยายามดูไปเรื่อยดูมุมนี้ให้มากๆว่าจิต เป็นพวกโทสะแรงปัญญากล้าดุรนัตตา <c oughs> ใช่ไหมคิดเองอยากพูดเองเห็นไหม<ช>ดูอย่างนี้ใ้ใก็ชอบตัดสินเองว่าเออรูกสึกตัวแล้ ว, ลวก็รู้สึกนะมันรู้สึกอยู่แต่รู้สึกตัวมีสองแบบนะรู้สึกตัวที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจรู้สึกตัวขึ้นมาโดยไม่เจตนา จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้ารู้สึกตัวแบบจงใจรู้สึกนะมันจะแน่นๆถ้ามันแน่นแน่นแสดงว่ารู้สึกปลอมนะออรู้สึกใด้รู้สึกดีภา น, นาดีคือในภาพรวมนะบอกในภาพรวมใช้ได้หมดเลยนะที่นั่งอยูเนี้ดีดีขึ้นอนะ่ะเรื่องความขี้เกียจกล้าหารมากเลยถามเรื่องขี้เกียจ เห็นโรคแสดงของหลวงพ่อเลยเรื่องขี้เกียจเอาว่ามาคือต่ขยันก็ได้ค่ะบางทีก็ขยันก็ยันสิขยันได้ขี้เกียจทำไมเรามันชอบบอกไม่เห็นต้องขยันเลยรู้สึกตัวก็พอ ไ, ไม่พอกิเลสหลอกเราต้องขยันนะภาวานาเป็นแล้วต้องขยันเอแต่ถ้าภาวานายังไม่เป็นขี้เกียจไม่ก่อน การภาวนาผิดนะก็ะหยันมากนะตระเวนเปิดเปิงไว้ดีนะของหนูนะภาวนาได้ดีขึ้นเยอะแล้วูดูไปมันเป็นเองเห็นไหมเนี่ยมันถูกความเศร้าโศครอบงำเห็นไหมเนี่ยดูมันครอบเองดูอนัตตาไว้เรื่อยๆแสดงว่าหลอกกันใช่ไหมคะที่บอกว่าเห็นเห็นเศร้าเห็นโศกเ็นครอบว้นเห็นเห็นนะแ ต, แต่มันยังครอบจิตได้เห็นไหมยังครอบงําจิตใจเหรอ เป็นเห็นแต่ว่าสมาธิเราไม่ดีกําลังเราไม่พอนะไม่ปัญญามันเลยไม่ตัดถ้ากําลังจิตของเราตั้งมั่นนะสภาวะอะไรเกิดสติเห็นปั๊บถ้าเป็นกิเลสนะมันจะขาดสะบั้นทันทีเลยมันจะครอบจิตไม่ได้คือว่าพอเห็นเราก็ไม่สามารถยังไม่สามารถตัดได้ม่มีปัญญาเขาตัดของเขาเองปัญญาทําหน้าที่ตัดไม่ใช่เราตัดนะถ้าเราพยายามตัดเมื่อไรผิดมันนั้นเลย ใจเป็นเข้าไปแทรกแสงดีไปคิดหรือยังดีไปคิดให้รู้ทันเห็นไหมหายเศร้าแล้วเห็นไเบิก บ, บานอีกแล้วดูสิความกลับกรอกของจิตเห็นไหเออเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะหเห็นมันแปรปรวนตลอดเห็นไหดูอย่างนี้นะอ่ามาการมิจารณาตองปฏิบัติรรมตรมนก็ยสิ่งนึ่ ก็มันกวไหวก็จะเป็นต้องมาคิดต่อไปคไปเรื่อยลยนนะทุกวันทุกวันทุกทำให้สม่ำเสมอเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมดีไปทำอีกบางครั้งก็เห็นจริงหือนกนไม่เคยเสืม่คเลยแต่ไม่ใช่ภาพอะงรด้รู้เอา อะไรเกิดที่จะไปเชื่อมันเท่านั้นเองก็จบทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้ <S <S 1> <S 1> จริงไม่จริงไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกอย่างมาก็ไปบางครั้งไม่ไม่ค่อยสงบเลยเออไม่สงบก็ทาให้สงบซนะหรือถ้ามันไม่ยอมสงบจริงๆก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านที่จริงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านถ้ารู้ทันนั้นก็สงบของมันเอง แต่ถ้ามันไม่ยอมสงบก็ทําสมถนะคือเครื่องมือของเรามีหลายตัวใช้วิปัสสนาได้เราใช้วิปัสสนา้นะจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านก็จะดับเนี่ใช้วิปัสสนาถ้าไม่ไหวจริงนะก็ใช้สมถนะฟุ้งมากเหรอฟุง้งคืออะไรฟุ้งคือจิตอยากคิดไหนๆก็จิตอยากคิดแล้วจะไปบอกบอกมันว่าอย่าไปคิดนะมันไม่เชื่อ เหมนพามันคิดเลยพามัานคิดเรื่องอะไรเรื่องร่างกายของเราเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องาทานที่เราทําแล้วเรื่องศีลที่เรารักษาแล้ว <Lud> เรื่องร่างกายเรื่องลมหายใจพามันคิดไปเรื่องความตายอย่ามันคิดคิดคิดให้มันวนเบียนอยู่ในเรื่องที่ดีๆพวกนี้ไม่ห้ามมันถ้ามันอยากคิดมากนะพามันคิดเลยจะคิดเรื่องที่ดีๆให้คนอื่นบ้าง หาับสมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อคือโยมเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปีปลายปีสีเก้านะคะส่วนมากจะเป็นธรรมธานะคะนั่ ง, น, งนั่งเพ่งกายแล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจจนเห็นลมหายใจตัวเองไม่มีอะคะ่ะนั่งเลยทั้งวันเราเพ่งอยู่กับความว่างมันนิ่งอยู่กับเขาบ้างไว้ทั้งวันนะคะเออเป็นธรรมถะค่ะพอออกมาแล้วโทรสามาแรงมากอะคะ่ะ พวกเรือสีชีพายนะก็หลุดจากสมาธิเอาล้ายนลยน<ม>ี่ก็เที่ยวสาบคนโน้นสาบคนนี้แล้วยมก็มาคิดแล้วว่ามันมันไม่ถูกทางเลเนี่ยทำไมเราปฏิบัติแล้วทำไมมันโทรษาทำไมมันแรงอยู่อลแล้วก็ <laughs> มันทรมานนะคะบีบครั้นจิตใจมากทํายังไงจะให้หายทำยังไงจะไม่ให้เกิดโทสะค่ะออืก็ไม่รู้ทํายังไงต่อมาก็เมื่อปีห้าสามะค่ะได้ซีดีของหลวงพ่อไปฟังแล้วก็ได้พบกับพระสงฆ์องค์หนึ่งท่านก็เป็นสายปฏิบัติก็เอ่ยชื่อค่ะคําสอนของเหมือนเหมือนหลวงพ่อค่ะระวังนะดูจิตดูกายพวกที่สอนเหมือนกันอะสภาวะไม่เหมือนกันเยอะเลยนะประโยคเดียวกันเลยนะเมื่อบอกว่ารู้สึกตัวไว้ ทุกคนต้องรู้สึกตัวนะเนี่ยจิตอยู่ข้างนอกเลยก็เยอะเลยนะที่ว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกหรอกเพราะงั้นไอ้ประโยคนียแหมฟังแล้วจริงเปล่าวะสอนเหมือนหลวงพ่อแต่จิตมันจะเหมือนกันหรือเปล่าเดินจิตไม่เหมือนกันนะบางทีอะดูตรงนี้ขนาดนี้เห็นไม่ไกกระใจโคลาลนั่นแหละเราแยกขันเป็นแล้วของเก่าไม่ต้องฟังมันแล้วไม่ต้องคิดถึงมันแล้วนะวขันมันแยกได้แล้ว ขันมันแยกได้แล้วดูขันมันทํางานไปทาถูกแล้วล่ะคือยอมจะเห็นความคือเกิดดับนั่นแหละเร็วขึ้นนะคะเราเห็นเห็นเห็นกายมันเห็นเป็นก้อนธาตุนะคะใช่แล้วเดินจงกรมจะเห็นเป็นช็อตอนะค่ะใช่อถูกพิจารณาที่ศีรษะก็เห็นจะแตกอะค่ะเขาแตกก็เป็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเป็นธาตุอย่างเงี้ยค่ะเป็นธาตุค่ะนะดูไปอย่างนั้นแหละค่ะ เห็นไขันมันแยกนะค่ะขันแยกแล้วแต่ละขันไม่มีเราค่ะไม่มีค่ะไปดูซ้ำๆนะแต่จิตยังเป็นเราอยู่คนะไปดูอีกยังดูไม่พอดูอย่างเดียวนละอย่างที่ดูนี้แหละค่ะดูพยัญชนะจิตไปเรื่อยใช่ไหมคะดูกายด้วยดูจิตอย่างเดียวไม่พอดูทั้งกายทั้งจิตใช่อะไรเด่นเราดูอันนั้นคือรถพวกสมาธิเยอะเนี่ยดูจิตอย่างเดียวไม่ได้นะดูกายบ้างค อยไปกดมันแล้วปฏิบัติเหมือนหลวงพ่อบอกดูกายดูจิตไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเออมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่าไปแกล้งน้อมให้ซึมจิตมันรู้สึกช่วงหลังๆสองเดือนกว่านี้มันปิติเบิกบานนะคะหลวงพ่อมันจะมีปิติเบิกดูไปปิติก็ไม่เที่ยงคนะต้องดูอย่างนั้นนะเบิกบานก็ไม่เที่ยง อะไรๆก็ไ <One> ม <input> ่เที่ยงดูอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเอาปิติหรอกปิติของเด็กเล่นพยายามพยายามจะถักออกค่ะพยายามมันไม่ใช่มันอยากจะไม่มันไม่ใช่อย่างเนี้ค่ะดูมันไปสีทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูไม่เที่ยงไปมัสการท่าอาจารย์ครับเดิมกับผมที่เคยกระทบ กระนี้งห อ, อารมณ์เมื่อก่อนโทรศัพค่อนข้างไหนอือมือจะมีอัตราแล้วเจ้าคิดตัดสินว่าต้องอย่างงน้นอือ่างนี้นก็ามาก็เริ่มมาแล้วถ้าช่วงก็เคยเต้นจงโลมบางทีมันก็หลงลืมเลยตอนนี้ก็เลยมาปเปลี่ยนหารูปแบบหน่อยก็คือสภาวะที่เกิดทั้งกายทั้งใจทำดีตอนนี้ก็รู้สึกว่าเวลาเต้นหรือตกใจหรือมีอะไรเนี่ยมันจะรู้สึก เลยก็เพื่อวิจทันทีเลยรเออใช่อมันมันบุ๊บมืนแบบเดี๋ยวนั้นแล้วมั น, เ, น, นเห็นไหมมันกับเพื่อเองครับผมแล้วบางทีเราเหมือนเป็นทุกเวทนาหรืออะไรที่ทางใจที่ อ, อะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ว่าจะเปเพ่งนนั้นับเราก็รู้ตรงนั้ น, นที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันดับไปครับผมและอีกขอ้อใหญ่อันหนึ่งก็คือช่วงเวลา ภาวนาหลืออะไรบางทีถ right. ้าช่วงจะหลับหรือจะนอนอะไรเนี่ยช่วงเดียกกล่มปั๊บเนี่ยเราก็พยายามดูในสภาวะกายของเราเนี่ยบางทีมันมีอะไรปั๊บป๊หรืออะไรเงี้ยเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ก็ว่าไปอย่างนี้มันจะผลไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะทำต้องทําทุกวันนะทำให้สม่ําเสมอแล้วมันก็คนดีขึ้นดีขึ้นเมื่อก่อนผมจะยองๆแล้วมันหลงมันไม่ได้มันดใจไป่ได้ก็ไม่รู้ใครรู้ทันใจไหม นะครูบาอาจารย์สอนนะว่าภาวนาต้องถึงจิตถึงใจนะถ้าภาวนามาไม่ถึงจิตถึงใจไม่ไม่รู้เท่าทันใจเราเนี่ยไม่ได้แก่นสารสาระพูดถึงขนาดนี้นะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะทําทั้งหลายสําเร็จได้ด้วยใจที่นี้ผมว่าเอาใจดูใจดูใจไปใช่แล้วก็อะไรก็กว่ากันเออนะ อ, อะไรก็ได้นะมันจะล้วนแต่สอนใจรักเราเท่านั้นเแล้วตอนนี้คือสังขารมยังมีอยู่แล้วก็รำหน้าที่ของเราไปใช่ใช อย่าให้ออกนอกเลยสาวอบสาวอาจารย์อย่แถมอีกคนหนึ่งในหนวดนั่นมันส่งกันบ้านเออคุณนั่นแหละคนนี้เรียกง่ายเพราะว่ามีหนวดเห็นบอกให้คนใส่แว่นไม่ไหวแว่นเยอะเลย <c oughs> การมาสการพ่อครับเมื่อกี้ส็ดีๆนะยังไม่พนาอีกนะ ทำไปอีกทำได้ดีดูกายดูใจไปรู้สึกตัวเป็นแล้วรู้สึกตัวได้นะดูกายดูใจทำงานได้ด้ยเห็นนะมันทำงานได้เองใจนะมันทำงานได้เองดูบ่อยบ่อยบทน่ะเนสาร์คนนี้อยากถามเอาใช่ไหมรนะู้ว่ามา รู้สึกว่าช่วงนีใจมันจะอยู่ข้างหน้าๆค่ะหลวงพ่อเวลาเรามีงานทําำนะมันต้องลุยกับงานใจไม่ออกนอกเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลวงพ่อกลับไปแล้วก็ให้ใจกลับบ้านก็นแล้วกันให้ใจมันก็ามาอยู่กับตัวเองนะรู้สึกเลยได้คุณมณ์ที่ส่งกันบ้านตะกี้เนี้ยนะรู้สึกตัวไปสบายๆนะแล้วก็เห็นเลยกายมันทํางานใจมันทํางานมันไม่ใช่เรา อย่าไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวอยู่เฉยๆจะไม่เดินปัญญานะคุณนน้นที่ส่งกันบ้านเมื่อกี้อย่าไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวแล้วนะดูไตรลักษณ์เห็นกายไม่เที่ยงเห็นจิตใจไม่เที่ยงเลยดูไปเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราถ้ามันไม่เห็นก็ช่วยมันคิดก่อนเบื้องตอนจะใช้คิดก่อนก็ยังได้อย่าอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆ เอาหนูถ้ามันฟุ้งรู้ว่าฟุ้งนะราพุทธพุโทโธไปมีอะไรที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมหรือแค่นี้ก็เยอะแล้วถูก่ะหมดแล้วในโอกาสนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อบัญญางสูงที่กรุณาเมตตากับพวกเราทุกคนนะคะกับในโอกาสนี้ก็ขอโอกาสนะครับพวกเนาพนนมือนนะครับ โอกาสที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนครับในสถานที่แห่งนี้นะครับที่จะได้กล่าวคําขอขอมาพระรัตนตรัยและหลวงพ่อในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันใดก็ตามที่ได้ประมาทพลัดพลังล่วงเกินไปนะครับขอได้โปรดอดโทษให้พวกเราทั้งหลายเพื่อการสํารวมระวังในการต่อไปและไม่ให้เป็นนิวรณธรรมขวางกั้นมรรคผลนิพพานเถิด ปัจจยัยทญานุภากถวายท่านอาจารย์สมชัยนะญ า, าวารีปหาปุราปริปุเรนติสาครางังเอวามีวาอิโตทินังเฟตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถ า, ามณีโชติรโสยตา สพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินั ส, สตุมาเตปวัติวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนนจังวุทาปจายโนชตารโรธรมาวัททนนีอายุวันโนสุขังพระลัง